พระชนย่างยืนยงทํารงมั่นพระศีวันพริ้งเพลิดเลิศสดใสทรงสุขเพิ่มเสริมพลาอนามัยเฉลิมชัยจากกรีวงสรงพระเจริญโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 สวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครัผมค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนของวันแม่นะคะหลุงอ๋อสิงหาการกนสิงหาและสีวันแม่สิบสองสิงหาเนาะใช่ค่ะอาทิตย์นี้ก็ ว, วันนี้วันศุกร์ที่เก้าสิงหาคมนะคะก็เรียกว่าใกล้จะถึงวันแม่แล้วเพราะฉะนั้นจิตวิทยาในวันนี้ค่ะเราขอพูดกันในเรื่องของคุณแม่แล้วกันนะคแม่ได้เลยได้เพราะว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืมไปแล้วนะคะเรารู้หละว่าแม่ก็อยู่กับเราทุกวันเราอยู่กับแม่แม่ล้าขวงใหญแต่บางบอย่างเนี่ยลูกๆอาจจะหลงลืมไปแล้วว่ากว่าที่จะมีวันนี้ได้เนี่ยคุณแม่ต้องทำอะไรเพื่อเราบ้างนะคะค่คคือต้องเริ่มจากลุงก่อนถามลุงก่อนว่าลุงสนิทกับคุณแม่ไหมคะสนิทกับแม่ไหมใช่ไหมก็สนิทนะยังยังยังจภาพได้แม่เสียไปแล้วประมาณสักเกือบสิปีแล้วนะ แต่ว่าจำภาพได้ว่าเพราเราสนิทกันค่ะคือคือลุงเนี่ยพ่อลุงเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยค่ะก็จะเหลือแม่แล้วลุงเป็นลูกคนโตเพราะ น, นั้นพอเวลามานั่งอ่านหนังสือทุกวันเราจะต้องถือฟอันคำคทุกวันเปี่นแล้วแม่นั่งคุยไปกั น, นก็เลยจะแม่ค่ะ ก็ลุงก็ค่อนข้างสนิทกับแม่นะคะแต่ว่าคราวนี้ถ้าพูดถึงความรักของแม่ของแม่ลุงยุ้ยอะลุงยุ้ยจะยังไงดีควารักความผุกพันคือต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกแรกเล็กๆเนี่ยเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนแอค่ะ ตอนนั้นพ่อแม่ใช่ใช่สภาพร่างกายสุขภาพไม่เคยดีพ่อแม่ต้องพาไปนู่นไปอันนี้แม่เล่านะตอนนั้นจําไม่ได้หรอกค่ะใช่ครับก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะฉันพาแกไปนู่นไ ป, น, น, ไป น, นี่ไปหาหมอไม่รู้เท่าไหร่จนมีคนพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าพอพอพอลงโตแล้วเนี่ยมีคนบอกว่ายุ้ยนี่รู้ให้รู้รักแม่มากๆนะรักพ่อแม่มว่าเพราะว่าเอาทองมาปั้นเป็นตัวแกก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของความรักที่แม่ แกมีให้ลูกให้กับแกเลยค่ะแล้วรู้สึกโอ้โหแม่เรารักมากขนาดนั้นเลยแต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าเราก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกนะค่ะรู้แต่ว่าเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะมันไม่สบายไม่ก็ต้องพาไปหาหมอต้องดูแลเราถูกต้องครับแต่ว่ามันจะมีภาพจําของแต่ละคนเหมือนกันนะคะอย่างทีที่ก็ค่อนข้างสนิทกับแม่เพราะว่าทีเป็นลูกคนเดียวจะเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเหมือนพี่ <c oughs> เพราะว่าอาจจะเป็นผู้หญิงไงแล้วก็สนิทกับแม่แต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยความสนิทสนมมันจะแตกต่างกันใช่ไหมคะลูกผู้หญิงกับผู้ชายอาจจะนิดนึงแต่สำหรับลุง่ะลุงโอเคนะเพราะว่าลุงเป็นคนที่พ่อแม่สั่งสอนให้แม่สั่งสอนให้ทำอาหารทุกอย่างเลยนั่นแหละเนี่ยแหะคือสิ่งที่มันติดตัวมาก็เลยจะเป็นครัว ลุงยุย้ย <laughs> ไม่ต้องพูดนานาอย่างอย่างนะคะ <laughs> คืออย่างนี้ลุงมีลูกผู้ชาย<ต>ลูกลูกลูกชายของลุงอสนิทกับคุณแม่ไหมคะเออน่าจะบอกว่าสนิทกับลุงมากกว่าอืมส่วนใหญ่ก็จะสนิทกับพี่พ่อใช่ครับเพราะว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ว่าเอแฟนลุงเขาเป็นคนที่ไม่เคยพูดค่ะ <laughs> นะคเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วไอ้เจ้าลูกชายก็เป็นคนก็เลยเรามีผู้ชายกับผู้ชายในบ้านเนี่ยมีสองคนผู้หญิงหนึ่งคนดังนั้นเราทําอะไรเราย่อมชนะค่ะมีสิทธ <c oughs> ิ์เสียงโหวด<อ>มากมากว่าใช่แล้วเขาชอบกีฬากีฬาก็าจะมาคุยกันเรื่องกีฬาค่ะแม่เขาก็พยายามที่จะมานั่งคุยด้วยแต่เขาก็คุยได้แค่แค่บางเรื่องเองครับก็ไม่แปลกที่ผู้ชายจะ สนิทกับคุณพ่อนะคะและตัวน้องทีล่ะที่สนิทกับแม่ที่ค่อนข้างสนิทกับแม่เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันอย่างที่บอกแล้วพ่อทีก็เมื่อก่อนก็มีไปทำงานต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นที่จะใช้ชีวิตอยู่สองคนกับแม่ก็จะค่อนข้า ง, งสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องมี ม, มีจับเขา่าวนเลาะจับเขา่าร้องไห้ไหมคือ ไม่นะคะแต่ว่าแต่ว่าคุยคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แม่จะสอนตั้งแต่เด็กก็คือแม่บอกว่าไม่ไม่ไม่อยากให้เป็นเด็กที่โกหกเรื่องนี้แม่จะ <Okay. S 1> ห้ามโกหกจะเกิดอะไรขึ้นมันติดตัวมาจ น, นทุกวันเนี้ยค่ะไม่ว่าจะทําอะไรซึ่งซึ่งมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เราก็ต้องพูดความจริงกับแม่ไม่ถึงว่าไม่ให้โกหกแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่จะไม่จำเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมีทุกเรื่อง ทุกรื่องราวในชีวิตค่ะทุกเรื่องเราในชีวิก็จะเล่าให้แม่ฟังก็คือการสนิทกับแม่ความรักของแม่นะคะลุงมันมีอยู่ในช่วงทุกช่วงชีวิตเลยนะคะเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่ตอนท้องเลยค่ะลุงนึกถึงคุณแม่้ทเขาเลยว่าเขาเขาต้องดูแลเราอยู่ในท้องเนาะค่ะอุ้มท้องอะลุงเก้าเดือนเก้าเดือนในเก้าเดือนนี้อันนี้พอดีตัวเองเนี่ยได้ได้สัมผัสจริงๆไม่ได้สัมผัส ตอนเป็นลูกนะนะครแต่ว่ารับรู้ได้เพราะว่าเขาจะต้องไปหาหมอทุกเดือนอไอ้หมอทุกว่าเดือนนี้ท้องเป็นยังไงปลอดภัยไหมอะไรเวลาจะกินจะอยู่อะไรนี่คือแม่เล่าให้ฟังหมดว่าโอ้โหฉันจะกินอะไรแต่ละอย่างลําบากมากเลยแพ้ท้องนู่นนี่นั่นนอนก็ลำบากนะฮะใช่ใช่พอโตขึ้นแน่นอนลําบากอีกนะครับทั้งกินทั้นอนลำบากหมดค่ะ แล้วคนนี้ค่ะลุงเวลาที่คลอดลุงลองนึกถึงนะคะตอนจะไปคลอดนะคะเขาบอกว่ามันผู้หญิงเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเจ็บที่สุดในชีวิตแต่มันก็ยินดีนะคะสำหรับคนที่เป็นแม่เพราะอยากจะใ ห, ใ, ให้ลูกออกมาอยากจะเห็นหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค็อประโยคแรกที่ที่แม่อันนี้เท่าที่รู้มานะคือเป็นประโยคแรกแรกที่แม่ทั้งหลายแลนเนี่ยถามคุณหมอหลังจากที่คลอดแล้วก็คือ ลูกฉันปอดภัย ไ, ไหมครบสัมสิบสองไหมนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่เด็กค่ะอันนี้ก็มายอยากอยา ก, อยากให้คุณผู้ฟังพูดว่ามามามาย้อนนึกถึงว่ากว่าที่เราจะเกิดมาได้เนี่ยคุณแม่ต้องทำอะไรเพื่อเราบ้างนะคะ ค, คือบางคนเขา ต้องคลอดลกูกต้องตั้งคันเนี่ยบางคนมันก็เสี่ยงมีโรคบางโรคอย่างนี้ค่ะมีเสีเสี่ยงหมดเลยหอเออมีโรคบางโรคคุณแม่ก็ยังเลือกที่จะตั้งคันเลือกที่จะมีลกูกถ้ามีโรคประจาตัวเวลาคลอดเนี่ยบางคนเสียชีวิตเลยก็มีรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็บางทีลูกเสียบางทีแม่เสียเนาะ ม, มันก็นหนาเ ก, กิดทั้งคู่แต่ก็ก็เต็มใจที่จะยอมเจ็บปวดยอมแลกชีวิตเพื่อให้ได้ลูกมาสัก หนคนหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่รักของเขาอย่างนี้นะคะอาลุงก่อนที่เราจ ะ, ะซึ้งกันไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปพักเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่หนึงค่ะแล้วกลับมาต่อกับเรื่องราวดีๆของคุณแม่กันค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University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 0812052989จิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อค่ะต้อนรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะลุงยุย้ยวันนี้เราก็พูดคุยกันในเรื่องของ บางอย่างที่คุณลูกอาจจะหลงลืมไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันความเสียสละของคุณแม่นะคะเริ่ยุ่เริ่มกันหน่อยโอ๋อเมื่อช่วงเบรกแรกเราพูดถึงตอนที่คุณแม่ท้องตั้งท้องนะคะลุงครับผมคราวนี้พอพูดถึงตัวเกิดมาบ้างลุง <laughs> ตอน้องเกิดมาแล้วก็ก้นเหนื่อยนะคะเขาบอกว่าเราจะตืน่นลุกสามชั่วโมงครับใช่ใช่เลยอันนี้อันนี้อนน ข, อขอแกจมในฐานะนะพ่อได้ไหม <C> e <an> เพราะว่าเธอเก็มีลูกถูกไหมครับ <C> e <an> เพราะฉะนั้นเนีเน่ยเองก็จะมีความรู้สึกเลยว่าโอ้โหแม่เนี่ยเป็นเป็นเพศที่เสียสละมาเยอะละค <C> e <an> เพราะฉะนั้นเวลาที่กลับมาเขากลับมาจากที่ทํางานเนาะกล <C> e <an> ับมาก็เลยบอกเลยบอกว่าคุณจัดการตัวคุณเองให้เรียบร้อยเลย <C> e <an> ลผมจัดการเรื่องลูกเองยกเว้นเรื่องกา ร, รการให้เขากินนมเนาะเพผมไม่มี อะย่งเงี้ยเลยครับเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเขาก็ช่วยเลี้ยงกันเยอะแล้วนะคะเวลามีเลี้ยงกันเยอะมากครับแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่สามทุ่มเนี่ยจนถึงเช้าเนี่ยถ้าเขาลูกเกิดร้องลูกต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกต้องต้องนมเดี๋ยวผมจัดกาให้เองเพราะว่านี่คือนิสัยสิ่งที่ทํามาจริงๆค่ะใช่ครับสำคัญโดยตรงใช่ครับใช่ แล้วพอคลอดออกมาเนี่ยลุงเวลาเลี้ยงใช่ไหมคะเวลาเลี้ยงก็ต้องตื่นทุกสามชั่วโมงลำบากเดี๋ยวนี้คุณพ่อช่วยก็จริงแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือรูปร่างคุณแม่ลุงสังเกตไหมคะอตอนแรกเนี่ยหุ่นดีหุ่นสวยผิวพรรณเปล่งปลงังมีลูกคนหนึ่งโตมเลยค่ะลุงเาขาก็ายอมอีกนะน้าหนักก็ขึ้นอ้วนขึ้น ความแก่แล้วพอดีเห็นเห็นบางครอบครัวอย่างเงี้ยพอลูกเขาเกิดมามอาจจะมีลูกตอนอายุเยอะเขาเกิดมาปุ๊บเขาบอกทําไมแม่แก่จัง<ไ><อ>บางทีคุณแม่บางคนอาจจะมีลูกตอนอายุเยอะเยอะไงคะพอคลอดออกมาทำไมคุณแม่ของเราแก่กว่าคุณแม่ของคนอื่นอืมแต่ก็ไม่ได้รู้ว่า<ไ>กว่าที่เขาอายุเยอะแล้วใช่ไหมคะลุงกว่าที่จะยอม<โ>ตั้งคันมีความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยกว่าจะให้คลอดมาเป็นเขามันก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะคะ เพราะนั้นคนเป็นลูกต้อ ง, ต, องต้องต้องตระหนักถึงตรงนี้นิดนึงว่าคือคุณไม่รู้หรอกว่าอดีตที่ผ่านมาในพ่อแม่เห็นสระแค่ไหนถูกไหมครับมาเห็นตอนโ ต, ตแล้วไงแล้วบางทีก็ไม่เชื่อฟังดุดา่าว่ากล่าวก็ไม่เชื่ออันเนี้ยต้องกลับไปย้อนนึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขานักคุณแค่ไหนละ่ะค่ะยิ่งตอนเข้าโรงเรียนด้วยลุงค่าใช้จ่ายเป็นไงคะเปิดลุงจะเข้าโรงเรียนแบบนีเดี๋ยวนี้โรงเรียน เป็นเป็นร้อยไม่มีแล้วนะครับการเราเรียนครับหลักพันยังน้อยเลยค่ะลุงอันยังน้อยแล้วใช่ครับเป็นหลักหมื่นนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่อนุบาลจนกว่าจะเรียนจบซึ่งค่าใช้จ่ายอะไรซึ่งบางทีของตัวของคุณแม่เองเนี่ยเขาก็ยังอยากซื้อยากทำผมอยากซื้อเสื้อผ้าเขาไม่ยอมซื้อนะคะลุงเขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมะต้องเก็บไว้จ่ายค่าเทอมค่ากินให้ลูกใช่ เพราะนั้นนี่นี่คือนี่คือนี่เราไม่ต้องบิ้เลยนะน้องตี๋เดี๋ยานผู้ฟังแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราเห็นจริงๆจรงิงแต่ว่าถ้าเผิดว่าถ้าเราไม่ได้ยอ้อนนึกอย่างเงี้ยถ้าเรากลับม า, ายอ้อนหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออว่าแม่เราทําอะไรให้เราหลายอย่างเนาะมีแค่ไปพูดดีๆกับแม่หอมแคบแม่ก่อนเขาหรือว่ากาดเขาบ้างไม่เคยทำมากี่ปีแล้วล่ะอืมยิ่งตอนลูกเป็นวัยรุ่นอันเนี้ยพ่อแม่ปวดหัวที่สุดลุง พูดอะไรเขาก็จะบอกว่ายังไงพ่อแม่ไม่เข้าใจเขาแม่ไม่เข้าใจพมไม่เข้าใจรู้ ห, หรออืไปรู้ไปเออดูไปกับเพื่อนเพื่อนรนู้เข้าใจกว่าแต่ความห่วงเป็ น, นงไงคะตั้งแต่เล็กจนโตวความห่วงขอ ง, งของแม่มันก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่โตลุงตอนเนี้ยถ้าบอกว่าลุงตอนเนี้ยถ้าแม่ยังอยู่ในเชื่อไหม ว, ว่าแม่ก็ยังคงห่วงอยู่ออืเพราะว่าเขาก็ยังเห็นลุงเป็นเด็กอยู่วันยังค่อมใช่ครับก็ยังเราเป็นเด็กเสมอนะครับค่ ะ, คะ คราวนี้บางบางมุมลุงเมื่อกี้ลูกเป็นวัยรุ่นพอวัยรุ่นอย่าเงี้ยก็มีเรื่องราวความร้รางเกิดขึ้นบางทีอกหักอกหัออกหนคนเป็นแม่เป็นไงคะ <ๆ S 2> ทั้งรักทั้งห่วงแต่ว่าต้องดูอยู่ห่างๆพูดอะไรไม่ได้เลยออคือคือกรณีตรงนี้อยากอยากอยากเสนอคุณแม่มือใหม่ตั้งนิดนึงนะครับว่าวิธีการก็คือเราหน้าที่จะพยายามทําตัวเป็นเพื่อนนะค่ะบเป็นเพื่อนลูกไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ พยายามที่จะไม่เป็นดุเขาแต่พยายามที่จะเข้าใจในในความเป็นเขาแล้ววันหนึ่งพอเวลาที่เขามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะนึกถึงเราก่อนค่ะนะครับพอนึ่งถึงเราปุ๊บเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออสามารถที่จะคุยได้นี่วาเขาโตกว่าเราแล้วเขาก็มีมีประสบการณ์มากกว่าแล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราแก้ปัญหาอืนะคะ ก็คุณแม่สมัยใหม่ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคุณลูกด้วยนะคะไอความรักความเป็นห่วงคุณแม่เนี่ยลูกเขาก็รู้ล่ะแต่บางทีมันต้องมีจิตวิทยาเหมือนกันนะคะลุงใช่ครับถูกต้องเลยคือไม่ใช่ถือว่าแกเป็นลูกฉันยังไงแกก็เป็นลูกฉันแกไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่แบบยุคโบราณเป็นหน่วยยุคโบนราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของของของตัวฉันมานะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละ พอลูกสําเร็จอาลุงเรียนเสร็จเรียนจบเอควรเป็นควรเป็นแม่ก็รอดูความสําเร็จนะคะว่าจะไปทํางานเป็นยังไงเข้ากับเพื่อนรวมเงินได้ไหพอทํางานพอมีครอบครัวเป็นไงคะลุงเป็นห่วงอีกไปดูอีกเพาเป็นแรงอีกว่าครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเอเขาจะมีความสุขกับครอบครัวไหมไอความห่วงใจแบบเนี้ยมันมันไม่ได้หายไปจากหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะคะ ไม่ได้หายสาหรับงงาการกเป็นความรักใช่จริงความรักที่ไม่ไม่มีไม่มีข้อจํากัดนะค่ะ <c oughs> แล้วไม่ต้องการไม่ต้องการการตอบแทนเ <c oughs> พียงแค่คุณในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยได้ทําให้เขารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจบ้าง <c oughs> เขาก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องให้เงินทองหรืออะไรเลยเมื่อถึงทุกวันนี้บ้างบางทีตั้งแต่คุณแม่ท้องจนคุณแม่ชราลุงพ่อแก่ หูก็ไม่ค่อยได้ยินพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องฟังอะไรก็ไม่เข้าใจลูกบางคนเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นภาร์ล์เขาใช่ไหมคะลุงบางทีแต่เขาลืมย้อนไปว่ามืตอนที่เขาอยู่ในท้องเนี่ยตอนที่แม่ต้องอุ้มท้องมาเนี่ยคือเขายังไม่เห็นบอกว่าเป็นภาระล์เขาเลยพูดเราอินหลงพูดเราอินออจริงจอันนี้นี่นี่องจริงค่ะวันนี้เขาใจไม่ฟังไม่สนใจไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยแก่แล้วโอแก่แล้ว ตองให้น้องๆไปดูไปอ่านในกิตวิทยามันจะมีคราอย่างเช่นบางทีเนี่ยไอแม่แม่สั่งให้ลูกช่วยทํานู่นทํานี้ให้หน่อยสิ่งที่ลูกถามคือข่จ้างอ่ะคาจ้างอ่ะดูวยครับกี่ตังค์เนี่ยเอาให้ช่วยเช็ดบ้านเนี่ยขอ20บาทนะค่ะก็มีก็ใช่ค้นะคะบางคนก็ให้ใช่แต่คุณแม่เห็นว่าไง ค่าน้ำนมที่ฉันให้ไม่คิดตังค่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่คิดตังค่านุ่นค่านี้ไม่คิดตังสุดท้ายฉันรักเธอนี่นลูกคุณลูกกับบางทีคุณแม่เขาไม่เคยคิดค่าอะไรหรอกใช่ไหมคะคแต่เรานี่คิดทุกบาททุกสตังค์ที่คุแม่ใช้แล้วลุงขาวเวลาที่เขาแก่ชราเราควรจะดูแลเขาอย่างไรคะในฐานะที่เป็นลูก ที่เดียวนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าสภาพเปลี่ยนไปแล้วก็มีการดูแลผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่ที่อายุเยอะมากขึ้นแล้วเนะะาะครับอนุอแม่ไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวในสิ่งที่เ้ายังพอจะไปได้พาเขาไปหาหมอในวาระที่ควรจําเป็นที่ต้องไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับค่ะและ้วก็ขอดูแลเขาอยู่ใกล้ๆขออย่างเยอะอยากพยายามเอาเขาออกไปจับตัวฉัน อย่าเอาเขาไปออกจากออกจากชีวิตแล้วเลยเพราะว่าตอนที่เรามา<ช>เราก็มาจากตัวของแม่นี่แหละด้วยน้ำนมด้วยใส่เลือดอะไรก็แล้วแต่นะคะลุงค ะ, ะปิดท้ายคะ่ะให้กําลังใจสําหรับคนที่ไม่มีแม่หน่อยค่ะลุงอาจจะคุณแม่เสียไปแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะถ้าบอกว่าพ่อแม่เสียแล้วตัวเองยังเด็กอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเขาพูดตรงนี้ขอบนิดเดียวคือค่ะแม่เนี่ย แราจเห็นเลยว่าจะมีเด็กอันพดีลุงอยู่ลงเงินสาธิตมาใช่ไหมครับก็จะมีเด็กบางคนที่เขาไม่อยากที่จะมีให้มีวันแม่อเพราะเขาบอกว่าไม่รู้จะไวหว้ใครใช่ไม่รู้จะไหว้ใครเราก็บอกว่าหลายๆลยคนก็บอกว่าก็ไหว้าตามประจำจักแต่เขาไม่ใช่แม่หนูนะบางคนเอาคุณพ่อมาไหว้นะค ะ, ะใช่ครับเพราะนั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้เด็กเขาสบายใจขนาดเด็กเราต้องพูดให้เขา เข้าใจและยอมรับความจริงว่าก็คือไม่มีแม่แล้วเนา ะ, <ฮ>ะแต่ว่ายังมีคุณครูมาอาจารย์มีพ่อเอาปู่ย่ามาไหว้ก็ได้ใครก็ได้<ฮ>ะนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้สําหรับน้องๆที่ที่ไม่มีพ่อแม่แล้วหรือว่าผู้ฟังถ้าผู้ฟังที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วยังมีพ่อแม่อยู่ในใจเสมอครับค่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะคนที่เขาคนที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองไม่ได้หันหลังกลับไปแต่สําหรับคนที่เขาไม่มีเนี่ย เขาทั้งเรียกร้องทั้งตามหาทั้งทุกอย่างะนะก็อยากให้แสดงความรักทุกวันไม่เฉพาะวันแม่หรือเดือนสิงหาคมานะคะแค่ไปดูแลท่านบ่อยๆบอกรักก็ได้หอมแก้มกอดเขาพูดอะไรก็ฟังเขาเท่านั้นเขาก็มีความสุขแล้วะ ค, ะค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกคนเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดต า, <ม>ตามเราทั้งสองคนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์ค่ะตีสี่ครึง่งถึงตีห้านะคะสําหรับวันนี้ที่ชั้นทีราวันดียิ่งมีค่ะ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 สว่างสวยให้เธอไให้ถวายพระพรสูดดวงใจ